บุ๊กทูห้าสิบห้าปิิการทำงานปราตซคุณทำอาชีพอะไรคะคิมวิบระตซิทสามีดิฉันเป็นแพทย์ค่ะ มยมูชปาปริฟซีดตดิฉันทำงานเป็นนางพยาบาลวันละสองสามชั่วโมงยาปรัชญนพสเทวคิมิชสตรอยอีกไม่นานเราจะได้รับเงินบำนาญฮุดกมวิยนาพนิแต่ภาษีสูงมากอเลปดัตกิวสโคียา และค่าประกันสุขภาพก็สูงอนปดัวรูบยหนูอยากเป็นอะไรในอนาคตคตชตหนูอยากเป็นวิศวะกรยจเอตอินรหนูอยากศึกษาต่อที่มหาวิทยาลายัย ยาจะได้บุชิดจากวิทยาลัยดิฉันเป็นพนัก ง, งานฝึกหัดยาปรักตุกันดิฉันมีไรายได้ไม่มากยาจะรับเลี้ยงญาติฉันฝึกงานอยู่ต่างประเทศยาประคุณจบปรัชญาคุณจะมีรยนี่คือหัวหน้าของดิฉัน ตมนาชนิดิฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีอูเเริยมเนคาลิมเราไปทานข้าวเที่ยงที่โรงอาหารเสมออบมเูดิฮูจมุสตลูกุดิฉันกำลังมองหางานยาชูกยุมสซาปดิฉันว่างงานมาหนึ่งปีแล้ว บิประโหนึ่งที่ประเทศนี้มีคนว่างงานจำนวนมากอุกรารุณาไปที่ www. b o o k t o de สำหรับหนันางสือและดานนวนา์โหลดเวอร์ชันใหม่ล่าสุด